ปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งลำดับนั้นท่านพระมหากสปะได้ถามท่านพระอุบาลีว่าท่านอุบาลีพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งณนะที่ไหนท่านพระอุบาลีตอบว่าณนะกรุงเวสาลีขอรับท่านพระมหากะสปะถามว่าทรงปรารบใครท่านพระอุบาลีตอบว่าทรงปรารบพระสุทินกลันทบุตรท่านพระมหากะสปะถามว่า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 ถามถึงอนาบัตบ้างแห่งปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่ง